ทีสัจฉนาถ้ากับทั้งโลกตานโลก ค่อยโมโหเท่าไหร่ค่ะไม่เหมือ น, นระยะหลังๆโมโหง่ายขึ้นไม่ไม่ทราบด้วยด้วยเหตุอะไรโมโหก็มโหไปเถอะไอตัวมโหเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ว่าไอ้ไอ้ตัวมโหเนี่ยมันก็เป็นตัวสังขารปรุงแต่งไอ้ตัวที่ขนาดที่มันไม่มโหมันก็เป็นสังขารปรุงะดับอย่าไปสนใจมันเลยไอ้ตัวที่มโหและไอ้ตัวที่ไม่โมโหมันก็ตัวเดียวกันเนี่ยนวัดตั้งใจฟังให้ดีไอ้ตัวที่มโหเนี่ยในร่างกายแล้วมันเปรียบเหมือนกับมีสามตัว เือไอตัวกายเนื้อเนี่ยไอตัวกายเนื้อที่เรานั่งพูดคุยกันเนี่ยหนึ่งตัวแล้วก็มันมีไอตัวจิตปรุงแต่งเรียกว่ากายจิตก็ได้มันมีไอตัวจิตปรุงแต่งเรียกว่ากายจิตอีกหนึ่งตัวแล้วมันมีไอผู้ที่ไม่ปรุงแต่งอีกหนึ่งไอผู้ที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธะพุทธ หรือสุญญตาธาตุหรือนิพานธาตุหรือธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวไอตัวกายเนี่ยกายเนื้อเนี่ยมันเป็นตัวปรุงแต่งมันเป็นตัวปรุงแต่งสิ่งใดปรุงแต่งเนี่ยมันก็ตกอยู่ใต้กดแห่งความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็ ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องผุพังต้องสลายไปแล้วมีอีกกายนึงก็คือกายจิตสังขารเนี่ยไอกายจิตสังขารหรือกายเป็นจิตปรุงแต่งเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเปรียบเหมือนกับมันมเป็นกายปร่งแสงที่อยู่ในตัวเรานี่แหละอีกหนึ่งตัวเรียกว่าเป็นตัวกายจิตหรือเรียกว่า นามขันหรือนามกายก็ได้แล้วแต่จะธมรมุชื่อเรียกตัวในร่างกายเราเรียกว่ารูปะขันแล้วมันมีอีกหนึ่งอยากให้นวัตสาวตรงนี้คือมันมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งก็คือความไม่มีตัวตนเลยคือวิญญาณธาตุหรือวิญญาณะขันเนี่ยที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยตัวนั้น นั้นอ่ความรู้สึกว่าเป็นเราที่มันปรุงแต่งว่าเป็นเราโกรธเรามโหเราโกรธเรามโหหรือว่าเราไม่โมโหก็ตามเนี่ยมันเป็นไอ้กายจิตปรุงแต่งไอ้กายจิตปรุงแต่งวันเดียวก็โมโหเดี๋ยวก็ไม่โมโหเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็ไม่โมโหไว้เรื่องของวันนั่นแหละแต่เราเนี่ยมันเป็นวิญญาณธาตุหรือวิญญาณขันหรือเรียกว่าพุทธะซึ่งมันไม่มีอะไรปรากฏเลยมันไม่มีอะไรปรากฏ ไอ้สิ่งที่ปรากฏจะไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราทั้งหมดแล้วปล่อยวางมันไปให้หมดจะไปยึดมันถ้าวัดจรีเนี่ยเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากไอ้ไอตัวมันจะโกรธหรือไม่โกรธมันก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็เป็นไอีอีกกายหนึ่งซึ่งไม่ใช่กายเนื้อนี่เราจะเรีย ก, กว่ากายโปร่งแสงก็ได้ มัน ม, มันเป็นกายปร่งแสงแต่เราเป็นผู้ไม่มีกายเป็นผู้ไม่มีกายมันไม่มีอะไรเลยเป็นพุทธะเป็นวิญญาณธาตุหรือจะชื่อเรียกว่าอะไรลนะ่ะเขาเรียกว่าพุทธะกันเพื่อให้มันแยกออกจากสามกายแยกแยกออกจากกายเนื้อกายจิตต่อสังขารแล้วก็เป็นพุทธะเป็นกายพุทธะก็ได้คือเรานนเนี่ยเป็นกายพุทธะกายพุทธะไม่ได้หมายถึงพุทธเจ้าคือพุทธะแปลว่าพูดรู้ ผู้รู้แจ้งผู้ไม่หลงแล้ว <med> เป็นผู้ไม่มีอาการใดๆปรากฏเลยเราเป็นผู้ไม่มีกิยาการใดๆปรากฏเป็นวิญญาณธาตุหรือสุญญตาธาตุไอ <med> สุญญตาธาตุเนี่ยเป็นคือความไม่มีอะไรปรากฏเลยมันจึงเรียกว่าสุญญตาธาตุหรือวิญญาณธาตุคือความไม่มีปรากฏไม่มีรูปพันณร่าฐานไม่มีรูปร่างอะไรไม่มีกิยาการในจิตใดๆตัวเนี้ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติมันก็จะง่ายขึ้นว่าไอ้ไอ้ ร่างกายเราก็จะไปยุ่งกับมันเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องตายเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ต้องเน่าไอ้ร่างกายเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บเดี๋ยวมันก็ต้องเน่าไปเราจะไปยุ่งกับมันเพราะไม่ใช่ตัวเราไอ้ตัวที่สองอ่ะไอ้ตัวที่หนึ่งคือกายสังขารเนี่ยเดี๋ยวมันต้องแก่เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บเดี๋ยวมันก็ต้องตายมันก็ต้องเสื่อมไปสลายไปผุพังไปมันไม่ใช่ตัวเราแล้วนี้ไอ้กายที่สองก็คือกายที่สองก็คือไอ้ยี่ ไอ้ตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรุงแต่งเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับว่ามีกายโปร่งแสงอยู่ในตัวเราอีกหนึ่งตัวตัวได้กายเนื้ออีกหนึ่งตัวได้กายใสๆเหมือนแก้วเนี่ยอีกหนึ่งตัวอยู่ในในในร่างกายเราเปรียบเหมือนอย่างเงี้ยมันเป็นกิริยาการของจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปถ้าไม่มีใครมายึดมันเนี่ยมันไม่มีตัวตนหรอกไอ้กายเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเพียงแค่ เป็นกิริยาการของจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปตัวที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีอารมณ์โกรธแล้วก็ไม่โกรธแล้วก็โกรธแล้วก็ไม่โกรธไอ้ตัวเนี้ยมันมีอีกกายหนึ่งคือตัวเนี้ยมันมไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราตายแล้วเนี่ยมันจะกระเด็นมาไอ้ร่างกายเนื้อเนี่ยมันตายแล้วไอ้กายจิตปร่งแสงเนี่ยตัวที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเนี่ยมันจะกระเด็นออกไปอยู่นอกร่างเรามันก็จะกระเด็นออกไปอยู่นอกร่างไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ตาย มันไม่ตายถ้าเรามีผู้ไปยึดมันอะมันจะไม่ตายมันจะเป็นตัวตนถ้าไปยึดว่าเราจะทำไงให้เราไม่โกรธแล้วไปยึดว่า ไ, ไอ้ผู้ที่โกรธเป็นตัวเราแล้วเราจะทําไงให้ตัวเราไม่โกรธต่อให้เป็นตัวเราที่ไม่โกรธมันก็เป็นไอ้กายโป่งแสงที่มันกระเดนน็นออกมาคือไอ้ไอกายจิตสองขานเวลาเราตายแล้วไอ้กายจิตสองขานเนี้ยมันจะกระเดนน็นออกมาข้างนอกร่างร่างไอ้กายเนื้อเนี้ยเพราะ ไอ้กลือไอเนื้อเนี่ยมันหายใจเฮือกเฮือกมันก็ดับไปเลยแต่ไอ้กายจิตสังขารเนีย่ยนมันไม่ตายมันจะกระเด็นออกมาไอ้นี่ยคือไอ้กายที่ที่เราจะพูดที่ว่ามันเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวไม่โกรธก็คือไอ้กายนี้เนี่ไอ้กายเจรสังขารเนะี่ยมันกายปรุงแตง่งถ้ารเราจะพยายามทําให้มันไม่โกรธเราพยายามงดอีดกับโกรธเราพยายามกับ ไ, ไปเอาไอ้กายที่มันปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็จิตดีเดี๋ยวมันก็จิตไม่ดี แล้วจะเอาไอ้กายที่เป็นจิตดีไอ้จิตเนี่ยกายจิตเนี่ยมันการโปร่งแสงทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นจิตดีจิตไม่ดีจิตมีอาการหรือจิตมีอาการอย่างนี้มันเป็นมันเป็นจิตแต่มันเป็นจิตปรงแต่งถ้าเราไปเอาผิดตัวแบบเนี้ยเราไปจับมันก็จับคนร้ายผิดตัวที่เร่กจับแพะจับแพลไปเอาไว้ตัวที่มีความรู้สึกนึคิดอารมณ์โปรงแต่งเอาตัวที่มันเดี๋ยวโกรธจะไม่โกรธจะทํายังไงให้ไม่โกรธเนี่ยนกตาจะทําให้ไม่โกรธจะทําให้ไม่โกรธ แม้แต่อาตัวที่มันโกรธเดี๋ยวมันก็ไม่โกรธเดี๋ยวโกรธเดีวก็มันไม่โกรธเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวกายจิตปรุงแต่งถ้าเราไม่เอาไอตัวนี้ไปตัวหลาไปตัวตนของเราเราก็จะไปอีกตัวหนึ่งคือไอตัวที่เป็นพุทธะพุทธะแปลว่าตัวผู้รู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยไม่มีไม่มีอาการใดๆปรากฏเลยมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งคือตัวที่ไม่มีอะไรปรากฏสิ่งที่ปรากฏมันมีสองตัวคือตัวกายเนื้อกับกายจิตพูดง่ายเอาสรุปเน้นๆเน้นกายเนื้อกับกายจิต ตัวนี้อีกอันหนึ่งคือความไม่มีตัวปรากฏนั่นคือเราเราคือความไม่มีตัวปรากฏถ้าเราไม่เข้าใจตรงเนี้ยเราก็จะพากายเนื้อเป็นตัวเราเวลาพอเราเป็นอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราเราเราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรเราก็จะไปห่วงในกายเนื้อว่ากายเรากายจะตายแล้วกายเราจะตายแล้วตัวเราจะตายแล้วตัวเราจะตายแล้ว เวลาเรไอ้กายเนื Balance, ้อมจะตายแล้วก็ไม่ห่วงแต่อกายเนื้อว่าเดี๋ยวกายเนื้อจะตายแล้วแล้วเราก็ไปห่วงไอ้ไอกายจิตยคือกายจิตปรุงแต่งจะพูดสั้นเร็วกว่ากายจิตก็แล้วกันไกายจิตเราก็ไปห่วงว่ากายจิตมันจะตายแล้วเดี๋ยวมันจะตายแล้วสรุปแล้วคือห่วงว่าตัวเราเนี่ยจะตายแล้วตัวเราจะตายแล้วแต่แท้จริงมันตัวเราคือตัวที่สามคือมันไม่เกิดไม่ดับไม่มีอาการใดๆเลยมันไม่มีการเกิดไม่มีการดับ มันเป็นความไม่เกิดไม่ดับไม่มีกิริยาการใดๆทั้งหมดมันเป็นธาตุที่เป็นสุญญตาธาตุหรือวิญญาณธาตุที่มาเข้ารวมผสมกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก่อให้เกิดเป็นชีวิตจิตใจขึ้นมาเป็นเป็นร่างกายเนื้อที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาเรียกว่านามรูปหรือรูปนามไอ้ไอร่างกายกายกายเนื้อเนี่ยที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้ที่กลายเป็นกายจิตปรุงแต่งเนี่ยเนี่ย มันเพิ่งจะมาปรุงแต่งผสมกันในนผสมกันให้เป็นรูปร่างขึ้นมาแต่ในเราเนี่ลอยมาก็คือวิญญาณธาตุวิญญาณนู่นน่ะแต่อันเนี้นวิญญาณบวกอวิชาเขาเลยเรียกว่าปฏิสตนที่วิญญาณเขาเรียกตัวใหม่แต่ถ้ามันเป็นตัวที่ไม่หลงแล้วมันก็เลยเป็นวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคือความไม่มีตัวตนไม่ปรากฏอะไรเลยวิญญาณมันแปลว่ารู้แต่ชาวบ้านบอกว่าวิญญาณแปลว่าผีตายแล้วผีลอยจากล่างตายแล้วผีลอยจากล่างก็เพราะว่ามันไปเอาไว้ตัวที่ยึดเนี่ย ยึดเอากายเนื้อหรือเอากายไออจิตปรุงแต่งเนี่ยมันก็เลยไอกายจิตปรุงแต่งเนี่ยมันเลยไม่ตายแต่ไกายเนื้อเนี่ยมันเน่าไอกายจิตปรุงแต่งมันก็กระเด็นออกมาก็เลยชาวบ้านเรียกว่าวิญญาณแต่ว่าผีก็เลยเห็นผีเนี่ยคนตายแล้วมีผีหลอกได้มีผีมาหลอกได้คนตายแล้วมันเป็นผีมาหลอกได้ก็เขาว่าอะไรมันเหลือไอกายเนื้อมันตายแต่ไไออกายจิตน่มันไม่ไมาไม uh, ตาย ม, ม, มันเลยกลายเป็นผีออกมา เป็นผีออกมาชาวบ้านเลยรีบแปลวิญญาณแต่ว่าผีเลยกลายเป็นผีออกมาเพราะว่าแต่จริงไอ้ผีเนี่ยก็คือไอ้ตัวผู้ประยุทผิดตัวประยุทธเอาไอ้กายเนื้อเป็นตัวเราประยุทธ์ไอ้กายจิตโป่งไอ้จิตที่มันปรุงแต่งเนี่ยเป็นตัวเราผลที่เรายึดผิดตัวอย่างนี้เป็นยังไงเวลาไอ้กายเนื้อเนี่ยมันมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะตายแล้วถ้าเราปยึดผิดตัวแบบเนี้ยสติแตกแล้วมันจะเป็นบ้า พอหมอบอกเป็นมะเร็งยี้าสุดท้ายคุณจะตายแล้วมันจะเป็นบ้าเลยสติแตกหลายคนอ่สะสติแตกเลยอ่ะเพราะอะไรกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วเพราะอะไรมันไปนยึดเอาไอ้ออกายที่จะแตกดับแบบเป็นตัวเรามันเลยกูจะตายแล้วเราเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วหมอบอกว่าเราจะตายแล้วสติแตกเลยเพราะกลัวตายมันเลยเป็นบ้าเลยเพราะมันไปนยึดเอาไอ้ ไอ้กายเนื้อเป็นตัวเราและมันยึดเอาไว้ไอ้กายเนื้อที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยซึ่งเป็นกายจิตเนี่ยผสมอยู่กับกายเนื้อเนี่ยเป็นตัวเราและมันรวมเอาไว้ไอ้ตัวเราไอ้กายเนื้อที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ซึ่งให้สองกายรวมกันเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแต่เราเนี่ยไม่ได้รู้สึกเลยว่าเราเนี่ยคือวิญญาณธาตุหรือวิญญาณวิญญาณาธาตุหรือธาตุรู้หรือว่าสุญญตาธาตุนิพพานธาตุหรือเรียกว่า ดวงตามหมาบัวเรียกว่าธรรมธาตุมันเป็นธาตุแห่งธรรมเป็นเป็นธาตุที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยเป็นอสลีลังไม่มีรูปพันสันฐานใดๆเลยอีกหนึ่งกายนะั่นคือเหล่าแท้ๆซึ่งไม่ไม่มีการเกิดไม่มีการตายแต่ไอ้ร่างที่เป็นกายเนื้อกับไอ้ร่างที่เป็นเป็นกายจิตเนี่ยไอ้จิตเรียกว่ารูปขันกับนามขันเนี่ยหรือเรียกว่าไอ้ไอ้ไอ้รูปกายกับนามกายก็ได้เพราะว่าเวลาไอ้รูปกายตายไอ้นามกายมันก็เด่นออกมา ที่ชาวบ้านเรียกว่าผีเนี่ยไอ้ผีมันก็นได้ออกมาไอเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราและไอ้ผีเนี่ยที่มันรวมกับไอ้กายเนื้อเนี่ยมันเปลี่ยนร่างไปเรื่อยหรืออย่างเงี้ยสมมติมันอยู่เป็นหมาเนี่ยสีขาเนี่ยเอา้าไอ้ร่างก็เปลี่ยนไปได้เป็นหมาเป็สีขาและไอ้หมาเนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรก็เป็นเป็นมีกายจิตอีกตัวนึงในหมาเนี่ยคือมีนามนามขัน ซึ่งเป็นความรู้สึกไม่คิดอารมณ์อีกอันหนึ่งอยู่ในในกายเนื้อติ่เป็นรูปขันนี่หรือเปรียบเหมือนมีสองกายอยู่ใ น, ในกายหมานี่แต่หมามันไม่เข้าใจว่ามันมีอีกหนึ่งกายคือกายพุท ธ, ธะซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่นั่นคือเราหรือคือวิญญาณธาตุธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยเป็นวิญญาณธาตุที่มาผสมกับธาตุดินน้ํำลมไฟคือสเปิร์มสเปิร์มของพ่อซึ่งเป็นธาตุดินแล้วอน้ำํำ ธาตุน้ําก็เป็นไข่ไข่ของแม่เป็นธาตุน้ําเป็นน้ําวุ้นนะน้ําวุ้นก็มาผสมกันอันแรกแล้วก็แม่ก็หายใจเอาธาตุธาตุอากาศธาตุลมแล้วก็ธาตุใสเข้าไปแล้วก็กินซากศพ บ, บัวซากศพควายซากศพเป็ดต้องซากศพไก่ต้องกบกุ้งหอยปูปลามันกินกินซากศพไปแล้วพองพองพอง พ, องพองเริ่มมีตาหูจมูกรินกายใจเริ่มมีนามมีรูปคือมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้ ไอ้ที่มีความรู้กกายที่มีความรู้สึกไม่คิดอารมณ์ได้มันเพิ่งจะมีมาปรุงแต่งมาผสมที่หลังแล้วก็มีกายเนื้อขึ้นมามีตาอุจจจะมีแก่ใจแต่ไอ้ตัวที่ ม, มาผสมคือตัววิญญาณวิญญาณธาตุหรือเรียกกับพุทธะตอนนี้มันมันอยู่ในสมมติเรามาเกิดเป็นหมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งคือพุทธะที่ไม่มีตัวตนไม่ปรากฏ ร, รูปร่างเราไม่เคยตายนะพอร่างไอ้ร่างกายเนื้อกับไอ้ไอนามากายซึ่งเป็นกายปร่งแสงเนี่ย มันเปลี่ยนล่างไปตัวนี้มันดับแล้วไอ้ขาหน้ามันดับของแต่ละแต่ละล่างแม้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันดับไปแต่ความเรายึดไว้หลงผิดไว้ไอ้วิญญาณเนี่ยที่มันออกไปมันเลยเป็นรูปโปร่งแสงไว้มันเลยไม่ดับไอ้วิญญาณตัวเนี้ยมันไม่ดับมันเป็นวิญญาณที่บวกเอาวิชชามันเลยไม่ดับมันเลยกลายเป็นรูปวิญญาณวิญญาณที่มีรูปเป็นรูปเป็นผีชาวบ้านเห็นว่ามันเป็นผี แม้แต่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานเวลามันถูกฆ่าตายเนี่ยมันจะกระเด็นออกมาเหมือนกันไอ้กายเนื้อมันดับแล้วไอ้ขันห้ามันดับแต่มันจะมีไอ้วิญญาณเนี่ยที่เป็นรูปที่ชาวบ้านเรียกว่าผีวิญญาณลอยออกมาเพราะว่าไอ้วิญญาณเนี่ยที่มันอยู่รวมกับไอ้ดินน้ำลมไฟเนี่ยเพรไอ้วิญญาณเนี่ยที่มันอยู่รวมกันดินน้ำลมไฟมันเลยมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้พูดได้ถ้าไอย่างเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันไม่มีวิญญาณ ไอ้ต้นไม้มันเลยมีชีวิตจิตใจไม่ได้แต่มันต้นไม้มันมีธาตุดินน้ำลมไฟไออาคารเนี่ยอาคารที่ก่อสร้างเนี่ยมันก็มีธาตุดินน้ำลมไฟเวลาเขาสร้างมันก็มีเอาน้ำมาผสมเวลาคววนคววนไปก็ลมกับความร้อนก็เข้าผสมนั้นไอ้ตึกที่ก่อสร้างก็เป็ดินน้ำลมไฟแต่มันไม่มีธาต่อีกธาตุหนึ่งคือวิญญาณธาตุมันไม่มีตัววิญญาณมาผสมถ้ามันมีวิญญาณผสมปุ๊บมันกลายเป็นของที่มันมีชีวิตจิตใจเลยเหมือนไอหุ่นยนต์เนี่ยที่กขาสร้างหุ่นยนต์เนี่ย ขณะที่ก็สร้างหุ่นยนต์เขาเอาไอ้เอาโลหะมาหลอมมันก็ต้องมีทั้งทั้งโลหะที่เป็นน้ําที่เป็นตัวโลหะที่เป็นน้ําแล้วก็เป็นความร้อนเป็นไฟเป็นลมเป่ามันเลยตัวไอ้ตัวหุ่นยนต์มันก็เลยมีดินน้ําลมไฟแต่ตัวหุ่นยนต์มันขาดตัวเดียวคือตัววิญ ญ, ญาณธนะาตุธาตุที่เป็นธาตุวิญญาณถ้ามันมีธาตุวิญญาณมาผสมเนี่ยไหนไหุ่นยนต์มันมันเดินได้มันพูดได้เลยคุยได้เลยไอ้ส่วนที่ก็ เขาทำให้ตุกต Barbie, ต๊กตาบาร์บี้ตุ๊กตาบาร์บี้ที่มันเหมือนคนมากเลยตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยเหมือนคนมากตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยเหมือนคนมากเลยตอนที่เขาเอาไอ้พลาสติกมาหลอมเอา ấy, ไอ้ไอ้วัสดุมาหลอมให้เป็นตุ๊กตาบาร์บี้มันมีเนื้อนิ่มๆเนี่ยมันก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่มันขาดอีกธาตุหนึ่งคือเอธาตุวิญญาณาใพ่ตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยมันเอาธาตุวิญญาณเข้ามาผสมุ ตุ๊กตาบาร์บี้นั้นมีชีวิตจิตใจเลยเหมือนเหมือนพวกเราเตี้ยเลยทุกวันเนี่ยหลายประเทศในโลกพยายามสร้างตุ๊กตาที่มีชีวิตจิตใจได้เดี๋ยวเนี้ยตุ๊กตาถึงขั้นร้องไห้ได้อวันก่อนนี่ยเราเห็นเนีเขาเอามาโชว์ตุ๊กตาของประเทศญี่ปุ่นร้องไห้ได้แต่เรื่องร้องไห้ไงก็สร้างเป็นโปรแกรมให้มันร้องไห้ได้แต่มันไม่มีชีวิตจิตใจเพราะมันขาดธาตวิ ญ, ญญาณไปอีกหนึ่งธาน เพราะนั้นไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยพอมันผสมกับไอ้ดินน้ําลมไฟมันผสมกันเสร็จปุ๊บมันเลยมีชีวิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เพระนั้นไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่ามันเอาธาตุดินน้ําลมไฟและอวิญญาณธาตุมาผสมแล้วมันเลยมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนั้นไอ้ตัวที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นตัวปรุงแต่งผสมเสร็จแล้วผสมจากธาตุรวมกันแล้วมันจึงมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้ แต่เราไปเข้าใจเอาไว้ไอ้ร่างกายของแต่ละชาติคือสัตว์ปีกมั่งสัตว์เลือ้อยคลานมัง่งสัตว์สี่เท้ามัาง่งแล้วตัวเรานี่มีรูปร่างแบบเนี้ยเป็นกายเนื้อที่ผสมเสร็จแล้วเนี่ยเป็นตัวเราไม่งั้ก็เอาไอ้ไอ้ไอ้ไอไอไอความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยซึ่งเป็นนามขันเนี่ยที่ผสมเสร็จแล้วมีมีมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาว่าเป็นตัวเราแต่มันแท้จริงก็คือนไอ้ธาตววิญญาณที่มันเข้ามาผสมกับดินตามลมไอเราลืมไปเลยไอ้ธาตววิญญาณมนัวตนไม่มีรรูป่ต ไม่มีอะไรทั้งหมดไม่มีอะไรปรากฏตฉะ น, นั้นถ้าถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยการปฏิบัติมันก็ง่ายแล้วเพราะว่าไอ้กายเนื้อเนี่ยมันเป็นภาพปรุงแต่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราด้วยมันก็ต้องแตกดับแล้วเสื่อมไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วผูกฟังสลายไปเพราะว่ามันเป็นธาตุผสมถึงหมอจะบอกว่าไอ้กายเนื้อมันจะแตกดับแล้ว อ๋อก็ธรรมดาเพราะมันถ้าตุผสมเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันผสมเนี่ยที่ปรุงแต่งขึ้นมามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องผุพังสลายไปได้ไอ้ส่วนนามขันซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นส่วนผสมเสร็จมันก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมดาแต่วิญญาณธาตุมันไม่ปรากฏตัวตนมันเลยไม่เกิดไม่ดับเราเนี่ยคือความไม่เกิดไม่ดับที่มันย้ายล่างไปเรื่อย เปลี movement, ่ยนร่างไปเราเพี้ยแต่เปลี่ยนล่างไปเปลี่ยนล่างไปเปลี่ยนล่างไปไปเป็นล่างที่มีกายรูปร่างแปลกไปแล้วก็มีความรู้สึกสึกิดอารมณ์อย่างใหม่ในร่างนั้นพอเราไปเป็นงูสัตว์เลื้อยคานเราบอกว่าชาตินี้เราเกลยดเกลียดงูมากเลยแต่พอเราไปเป็นงูเนี่ยเราก็บอกไอ้ตัวงูที่เป็นมันเลื้อยไปได้นี่คือตัวเราและไอ้งูที่มีความรู้สึกสึคิดอารมณ์เนี่ยคือตัวเราทั้งหตัวเลยแต่เราลืมไปเลยเราคือไอ้ธาตุวิญญาณที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยที่มัมผสมกับดินน้ำลมฝ่ายที่อ กับไข่ของแม่มันผสมกันแล้วเราก็เข้ามาเอาเข้ามาผสมเป็นวิญญาณธาตุนั้นเราก็ไปเอาไอ้ร่างใหม่ว่าเนี่ยคือตัวเราไอ้ร่างงูที่ตอนเราบิ๊กมีมีชีวิตยอยู่ตอนนี้เราเกลียดงูมากเลยมันเป็นสัตว์เลื้อยคานแต่แท้จริงเราก็เคยเกิดในร่างนั้นมาหลายชาติแล้วเราก็หลงไปเอาไอ้ร่างที่ผสมเสร็จแต่ละร่างเนี่ยเป็นตัวเราและไอ้ร่างที่ผสมเสร็จแล้วมันก็มีความรู้สึกนึคิดอารมณ์เหมือนในตุ๊กตาบาร์บี้ ที่มันสามารถเอาพอวิ ญ, ญญาณมาเข้าคือเราเนี่ยเป็นวิ ญ, ญญาณมาเข้ามันได้มันก็เลยมีมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกนึกิดอารมณ์ไอ้ตัวความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเพราะไอ้วิญญาณมันเข้ามาผสมมันเลยเป็นชีวิตที่มีชีวิตจิตใจสิ่งไกรก็ตามเมื่อมันมีวิญญาณน่ธาตุมาเข้าผสมปุ๊บมันจะเป็นคนสิ่งที่มีชีวิต จ, จิตใจต้นไม้เนี่ยลองถ้ามันเอาวิญญาณธาตุเข้าผสมปุ๊บไอ้ต้นไม้เนี่ยก็เป็นชีวิตจิตใจเดินได้เลยเพราะไอ้ตัวที่เป็นชีวิตจิตใจเนี่ยเพราะวิญญาาาาณนนนเมมมข้ผส พอวิญญาณธาตุมเข้ามาผสมมันก็เลยสามารถเป็นต้นไม้ที่เคลื่อนที่ได้มีชีวิตจิตใจได้ถ้ามีวิญญาธาตุผสมไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยมันมีธาตุดินน้ําลมไฟแต่มันขาดวิญญาธาตุผสมคือขาดเราที่เป็นวิญญาณธาตุเข้าผสมถ้าเราวิญญาธาตุเข้าไปผสมกับไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้ไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้มีความรู้สึกมือคิดอารมณ์เลยถ้าผู้เข้าใจอย่างนี้จะเห็นว่าไอ้ตัวที่มีความรู้สึกมือคิดอารมณ์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ดั้งเดิม ตัวต้นของเราแต่ดั้งเดิมคือวิญญาณนาทธที่ไม่ติดไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยแต่ไอ้ตัววิญญาณนัทธาพอมมีปัญหามันไปเข้าผสมกับอะไรปุ๊บไอ้ตัวนั้นเป็นตัวที่สามารถมีความรู้สึกมีกิดอารมณ์ได้เคลื่อนไหวได้พูดได้เรียกว่ามีชีวิตจิตใจขึ้นมาได้แต่พอไอ้วิญญาณนาทธออกเมื่อไหร่ปุ๊บไอ้ตัวที่มีชีวิตจิตใจก็พูดไม่ได้กลายเป็นท่อนไม้ไปทุกชาติงั้นไอ้ตัวสําคัญเนี่ยคือตัววิญญาณนาทธ ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพรรณสถานใดๆไอ้ตัวนั้นเนี่ยคือเราที่มันเปลี่ยนร่างไปไปอาศัยอยู่ในร่างใหม่เรื่อยไปพอมันเข้าไปอยู่ในร่างใดปุ๊บไอ้ร่างนั้นเลยมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นไอ้ร่างที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่ร่างมันไม่ใช่ตัวเราแท้ๆตัวเราแท้ๆคือไอ้วิญญาณดาธาตุที่ไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันณสัณฐานอะไรเลยที่มันย้ายร่างไปปุ๊บผมไปใส่อะไรปุ๊บมันไปเข้ากับอะไรปุ๊บ ไอ้ร่างนั้นเรามีชีวิตจิตใจเลยสมมติเมือไอ้กระป๋องน้ําเนี่ยไอ้กระป๋อกกระป๋องน้ําที่โตเนี่ยไอ้กระป๋องน้ําตอนที่เขาเทมันก็เอาโลหะมาผสมเอาเอาไฟไน้ําที่ที่เคี่ยวเป็นความร้อนมาผสมมันก็เลยมีธาตุดินน้ําลมไฟอยู่ในอตัวกระป๋องนี่ที่ประทำกระป๋องนี่แต่มันขาดอีกอันเดียวในกระป๋องเนี่ยมันขาดวิญญาณธาตุคือขาดเหลาเนี่ยที่เป็นวิญญาณธาตุเนี่ยเป็นวิญญาณธาตุเนี่ยเข้าไปผสมถ้าผสมปุ๊บไอ้กระป๋องเนี่ยเดินได้เลยพูดได้เลยมีความรู้สึกมีคิดอารมณ์เลย แต่มันไม่มีวิญญาณเราเนี่ยไม่มีวิญญาณเราที่เป็นวิญญาณธาตุเนี่ยเข้ามาผสมไอ้กระป๋องนี่เลยมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ได้ดังนั้นแต่วิญญาณธาตุเนี่ยที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเนี่ยขออย่าให้มันเข้าไปผสมอะไรพอผสมอะไรปุ๊บไอ้ตัวนั้นเนี่ยสามารถมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์พูดได้คิดได้เสียใจยได้ดีใจได้ร้องไห้ได้หัวเราะได้โมโหได้ไม่โมโหได้ ทินวัตรพยายามมาถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มาจาวในที่บอกว่าทําไมมหโผจะทําให้ไม่มหโผมโหละทําไมให้มโหโผลทาไมมหโผง่ายเดี๋ยวไม่มหโหไอตัวที่มันมหโผได้ไม่มโหไม่ได้มโหได้มโหไม่ได้มันเป็นไอ้ตัวเนี่ยที่มันประสมเสร็จแล้วคือไอตัวกายร่างกายเนื้อเนี่ยที่มันประสมเสร็จแล้วมันก็เลยมีมีอารมณ์ได้เดี๋ยวมันก็มีอารมณ์เดี๋ยวมันก็มีอารมณ์เดี๋ยวมันก็ร้องไห้เดี๋ยวมันก็หัวเราะเดี๋ยวก็เหมือนไอหุ่นยนต์เดี๋ยวนี้เขาสร้างทั้งหัวเราะไไไดด้้้้้รองหแลว มันสามารถร้องไห้ได้หัวเราะได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มันร้องไห้ได้หัวเราะได้มันมีอารมณ์โมโหได้เนี่ยมันเป็นตัวไอ้ตัวหุ่นยนต์ที่ก็เป็นตัวสร้างมันจะไม่ใช่ตัวจริงไอ้ตัวจริงมันคือตัววิญญาณธาตุที่ไม่มีตัวตนอะไรเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันไอไอตัวที่เป็นกายเนื้อเนี่ยและไอตัวกายเนื้อที่มีความรู้สึกนึกอารมณ์ในแต่ละชาติเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเพราะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราและมันต้องแตกดับไปทุกชาติแต่เราจริงๆที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันคือวิญญาณาธชาติที่ไม่มีกิริยาการใดๆไม่มีรูปพรรณสถานใดๆเลยไม่ปรากฏอะไรเลยดังนั้นพอเราสิ้นความยึดมั่นถือมั่นสิ้นหลงยึดเอาไอไอตัวไอตัวเราเนี่ย ที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเราคือวิญญาณธาตุที่ไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่เคยแตกไม่เคยดับมันเปลี่ยนถ่ายร่างไปอยู่เรื่อยไปนั่นแน่ใจเราก็จะถึงวิญญาณภาตุซึ่งเป็นความว่างเปล่าซึ่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยกลายเป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับความว่างของธรรมชาติเพราะนั้นในความมีเนี่ยมันจึงความมีความไม่มีด้วยความมีอะไรก็คือในความมีร่างกายเนี่ย ในความมีร่างกายก็มีความไม่มีอยู่ด้วยในร่างกายนี้คือวิญญาณธาตุเป็นความไม่มีไม่มีอะไรปรากฏไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยและในความมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็เป็นความไม่มีอยู่ด้วยอยู่ในนั้นเนี่ยเพราะว่าในความมีอะไรปรากฏเนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นสังขารพุงแต่งผสมเสร็จคือวิญญาณธาตุเข้าผสมดังนั้นในส่วนของความมีอะไรปรากฏเนี่ยมันจะมีความไม่มีอยู่ในนั้นด้วยคือไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะ มันมีวิญญาณธาตุเข้ามาผสมกับดินน้ำลมไฟมันเลยเป็นเกิดเป็นความไอตัวที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้แล้วไอตัวที่มันไม่มีอาการใดๆผสมก็อยู่ในนั้นมันจะเปรียบเหมือนอย่างนี้ก็ได้เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าไอ้ตัวที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเปรียบเหมือนกับเป็นน้ํามันไอตัวที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยเปรียบเหมือนเป็นน้ําที่อยู่ใต้แก้วแก้วใสๆเนี่ยแก้วใสๆเนี่ยที่เราเห็นแก้วใสๆเนี่ย <Es per ate> เราจะเปรียบเหมือนว่าไอ้ตัวที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เดี๋ยวโมโหเดี๋ยวไม่โมโหเดี๋ยวสบายใจเดี๋ยวไม่สบายใจไอ้ตัวที่มันมีอารมณ์ได้เนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้เป็นตัวผสมเสร็จแล้วไอตัวเนี้ยเปรียบเหมือนน้ามันแต่ไอตัวใต้ใน้ํามันเนี่ยพ้เราใส่น้ําลงไปอ่ะใส่น้ําเข้าไปใต้นี้น้ําเนี่ยมันเป็นน้ําเนี่ยกับน้ํามันมันไม่ผสมกันน้ำเนี่ยมันจะอยู่ใต้ล่างไอน้ามันเนี่ยมันจะลอยขึ้นไปข้างหน้า ดังนั้นไอตัวเราที่จะมีความรู้สึกนึคิดอารมณ์ปรุงแต่งไงก็ตามมันจะมีไอ้ไอตัวน้ําเนี่ยอยู่ใต้น้ํามันตลอดเวลาคือความว่างมันจะมีความว่างรองรับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยไอตัวเราที่ขณะที่มันมีความรู้สึกนึคิดอารมณ์เนี่ยอย่างไรก็ตามมันจะมีตัวที่ไม่ปรากฏอาการใดๆเลยอีกหนึ่งตัวอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงตัดว่า กายเราเนี่ยเป็นโลกแล้วก็ตัดเทียบกับลูกโลกไอ้ลูกโลกของเราเนี่ยองค์ตรัสว่าใต้แผ่นดินนี้มีพื้นน้าหลงรับใต้แผ่นดินเนี่ยมีน้าหนุนอยู่ใต้พื้นน้ำมีลมหนุนอยู่ ใต้ลมลงไปมีอากาศหนุนอยู่คือชั้นบรรยากาศใต้ชั้นบรรยากาศไปเป็นความว่างคือเอาอากาศใต้แผ่นดินคือลูกโลกเนี่ยมีน้าหนุนมีธาตุน้าหนุนอยู่ใต้ธาตุน้าไปมีธาตุลมหนุนอยู่ใต้ธาตุลมเป็นอากาศซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศใต้ชั้นบรรยากาศไปเป็นความว่าง แล้วพระองค์ก็ตัดเปรียบขันห้าคือรูปประขันกับนามปรขันเนี่ยไอ้ร่างกายเราที่มีความรู้สึกในคิดอารมณ์คือเป็นขันห้าเนี่ยเป็นรูปประขันและนามปรขันเนี่ยเป็นโลกและโลกเนี้ยมันมีความว่างเหมือนกันคือใจหรือจะเรียกว่าจิตเดิมแท้หรือเรียกว่าวิญญาณธาตุมันเป็นความว่างที่มันพผสมกับดินน้ำลมไฟก็เหมือนกับลูกโลกกับดินน้ำลมไฟและ ดินน้ําลงไฟมันมีความว่างมันลอยอยู่ในความว่างฉังนั้นไอ้ร่างกายเราที่เป็นที่ประสมเสร็จเนี่ยเป็นรูปประขันแล้วก็มีนามะขันผู้องค์ก็ตัดว่าเป็นโลกและโลกเนี้ยมันก็ลอยอยู่มันเกิดดับอยู่ในความว่างเหมือนกันเหมือนธรรมชาติเหมือนกันงนั้นถ้าเราเข้าใจว่าเราคือความไม่มีอะไ ร, ะไรปรากฏเลยเปรียบเหมือนเป็นความว่าง ไม่มีอะไรปรากฏทั้งหมดเปรียบเหมือนเป็นความว่างอันเดียวกับจักรวาลที่ไม่มีอะไรปรากฏเพราะนสิ่งที่ปรากฏเนี่ยจึงไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเราเลยมันจะมีความรู้สึกนึกคิดอะไรก็ตามมันจะจิตดีหรือไม่จิตดีก็ตามไม่มีค่าสักน้อยหนึ่งนิดหนึ่งในใจของเราเลยเพราะอะไรเพราะนี่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไอ้ที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้ ไม่ว่าจะจิต ด, ดีปานใดมันไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อเราเลย mm. เพราะเราคือความไม่มีตัวตนคือความไม่มีอะไรปรากฏเลย mm. ความที่มีอะไรปรากฏคือร่างกายที่ปรากฏความรู้สึกหึกคิดอารมณ์ที่ปรากฏไม่ว่าจะจิต ด, ดีไม่ดีทินวัตบอกว่าเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็ไม่โมโหเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็มีอารมณ์เดี๋ยวไม่มีอารมณ์ไอ้ตัวที่มีอารมณ์มันก็เป็นตัวไอ้ไอ้ตัวกายเนื้อที่มันมีเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็มีอารมณ์เดี๋ยวไม่มีอารมณ์คือไอ้กายเนื้อที่มันมีความรู้สึกมิดอารณ์ คือมันรูปประคันบวกนามประคันแม้แต่อกายเนื้อตอนที่ไม่มีอารมณ์อะไรเลยจิตดีมากยิ้มแย้มแจม่มใสเบิกบานกะดีกระดาแต่ตัวก็เป็นกายเนื้อที่ไม่มีอารมณ์มีเป็นกายเนื้อที่มีอารมณ์อยู่ดีนั่นแหละมันไม่ใช่วิญญาณธาตุที่ไม่มีอาการใดๆเลยหรือจิตตั้งเดิมแท้มันไม่มีกิเลสอาการใดๆเลยไอเรานนเนี่ยคือความไม่มีอาการ น, นั้นคือวิญญาณธาตุ หรือจิตเดิมแท้ที่ไม่มีอาการใดๆปรากฏเลยแต่ไร่างกายเราที่มันมีความร nah, ู้สึกนึนคิดอารมณ์ต่อให้มันเป็นอารมณ์ด <Th> ีที่สุดใจใสที่สุดสบายที่สุดใจสว่างที่สุดก็ตามก็เป็นได้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้กายเนื้อเน <found Kazakhstan> ี่ยกับไอ้กายไอ้ที่เป็นฐานห้านี่เองอ่ะเป็นรูปขันดาบขันดาที่มันมีอาการเดี๋ยวมันก็ไม่มีอาการเดี๋ยวมันก็อาการดีมากเลยเดี๋ยวอาการก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ผ่องใสเรืองล่าหัวเราะอเอเเดี๋ยวก็เศร้าหมอง เดี๋ยวก็ผ่องใสอเออเอเดี๋ยวก็เศร้ามองก็สลับกันไปสลับกันมานี่ยแหละแต่ไอ้ตัวไม่ว่าจะผ่องใสไงต่อเศร้ามองไงฮะมันก็เป็นในขันห้าเนี่ยคือรลประขันกับนามประขันที่ผสมเสร็จอะแต่ไอ้ตัวเราเนี่ยมันไม่ปรากฏอาการเศร้ามองไม่ปรากฏอาการผ่องใสแล้วแม้ต่อต่อให้มันมีอะเดี๋ยวไอ้ตัวเราเนี่ยคือไอ้ไอ้ร่างกายเราเนี่ยเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็ไม่นิ่งเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็นิ่งไอ้ตัวฟุ้งซ่าน่่ีี แต่เราเนี่ยมันไม่ปรากฏอาการอยู่ตลอดเวลาคู่กับไปตัวผู้มีอาการมันอยู่ด้วยกันภาษามันสมมติบันหยติเยอะมากเลยไอ้ผู้ที่ไม่มีอาการเนี่ยบางทีก็เรียกว่าใจบางทีก็เรียกว่าจิตเดิมแท้บางท่านก็เรียกว่าจิต ด, ดั้งเดิมบางท่านก็เรียกว่าต้นจิตเลยมันเป็นจิตต้นจิตที่มาแต่แรกที่มันไม่มัม น, ไมมมนไม่มีกิริยาการใดๆบางท่านก็เรียกว่าพุทธ บางท่านก็เรียกว่าสุญญตาบางท่านก็เรียกว่านิพพานธาตุบางท่านก็เรียกว่าสุญญตาธาตุบางท่านก็เรียกว่าธรรมธาตุมันชื่อมันจะเรียกว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นภาษาต่างชาติามันก็คงจะเรียกอีกทุกภาษาเนี่ยอีกมากมายแต่สรุปแล้วคือเราคือตัวที่ไม่มีอาการ อ, อ, อีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันไอ้ส่วนร่างกายกับไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไอ้ตัวที่เป็นรูปอาการก e ับนามอาคารเนี D ่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราดังนั้นเวลาเราจิตนิ่ง ม, ม, มันก็ไม่มีความหมายต่อใจเราหลักเพราะว่าไอ้นี่มันก็คือไอ้รูปขานกับนามขานที่มันเน่ยขนานั้นอ่ะมันมีความรู้สึกนิ่งขณะใดมันไม่นิ่งฟุ้งซ่านมันก็ไม่มีความหมายตอ่อใจเราเพราะว่ามันเนี่ยก็คือไอ้รูปขานนามขานเนี่ยที่มันมีความรู้สึกไม่คิดอารมณ์ขณะใดไอ้รูปขานนามขานเนี่ยมันนิ่งมันไม่คิดอะไรมันก็ไอ้รูปขานก็เป็นอาการของรูปขานกับนามขานที่มันนิ่งมันไม่คิดอะไรมันก็ไม่ได้มีความหมายต่อใจเราอ่ะ ไ อ, expect, ไอ้ว่าขนาดไอ้รูปรขันนามขันมันนิ่งมันไม่คิดอะไรมันก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเราเลยต่อให้มันนิ่งมันก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อให้ไม่นิ่งมันก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อให้มันโปร่งโล่งเบาสบายมันก็คือไอ้ขันห้าที่มันมีความโป่งโล่ง <proof> รู้สึกโป่งโล่งเบาสบายต่อให้มันไม่โปร่งโล่งเบาสบายมันก็คือขันห้าที่ไม่โป่งโล่งเบาสบายมันไม่มีความหมายต่อใจเราแม้แต่เสี้ยวหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีเพราะอะไรเราคือความไม่มีตัวตน คือความไม่มีอะไรเลยเพราะในความมีอยู่ตลอดเวลามีกิริยาอาการตลอดเวลาเนี่ยมันมีความไม่มีอยู่ด้วยตลอดเวลาเราคือความไม่มีแต่เราเนี่ยทำไปไปคิตเอาความมีน่ะคือมีอารมณ์มีอาการมีจิตนิ่งมีจิตไม่นิ่งมีจิตที่โปร่งโล่งเบาสบายมีจิตที่ไม่โปร่งโล่งเบาสบายมีจิตที่รู้สึกว่างว่างมีจิตที่ไม่รู้สึกว่างว่างเราไปเอาไอ้ตัวนั้นอ่ะมาเป็นตัวเราแต่เราก็คือตัวที่ไม่มีอาการปรากฏเลยไม่มีอะไรเลยปรากฏ นั่นแหะคือเราแต่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรหรอกแล้วเราก็เนี่ยก็ถ่ายร่างเปลี่ยนร่างไปเลยเราไม่เคยเกิดดับนะแต่ไอ้ตัวเกิดดับไอ้ตัวขันห้าไอ้รูปขันเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนร่างไปเป็นหมามั่งไปเป็นแมวมั่งไปเป็นนกมั่งไปเป็นงูไปเป็นสัตว์เลื้อยคานไปเป็นสัตว์ปีกไปเป็นสารพัดจะเป็นเตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์โรกไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์รูปร่างเปลี่ยนไปโอ้โหเราเกิดมาไม่รู้กี่ชาติไม่รู้กี่ร้อยล้านชาติแล้วเราเกิดมาเปลี่ยนร่างไปเรื่อย แต่ตัวไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยตายเลยไม่เคยเกิดไม่เคยตายคือตัววิญญาณธาตุนั่นแหละมันไม่เคยเกิดไม่เคยตายแต่มันต้องเอาไปอาศัยอยู่ในร่างใหม่เรื่อยไปแต่อีตัวที่อยู่ในร่างใหม่ที่มันมีมีชีวิตจิตใจเนี่ยมันตายไปทุกร่างแต่อีวิญญาณธาตุเนี่ยไม่เคยตายเลยวิญญาณธาตุเนีไม่เคยตายมันเปลี่ยนถ่ายร่างไปเลยเพราะอะไรมันไม่เคยเกิดมันไม่เคยดับมันเลยไม่เคยตายวิธีปฏิบัติก็คือ ไอ้ตัวเราเนี่ยที่มันมีความรู้สึกหรคิดอารมณ์อะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปยึดมันว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวเรานี่คือวิธีปฏิบัติถ้าเราเนี่ยไม่ไม่ไม่มีเลยสักน้อยหนึ่งนิดหนึงที่เราไปยึดเอาไอ้ตัวที่มีความรู้สึกหรือคิดอารมณ์เนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราจะกลายเป็นความไม่มีอาการใดๆปรากฏไปเลยตลอดเวลาเลยมันจะมีอยู่คู่กันตลอดเวลาระหว่างเราเป็นผู้ที่ไม่มีอาการกับผู้ที่มีอาการเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันตลอด ไอ้ผู้ที่ไม่มีอาการเนี่ยมันมันมีเปรียบคล้ายๆนะความว่างของจักรวาลเนี่ยอวกาศอันไม่มีขอบเขตไม่มีดวงไม่มีรูปร่างไม่รู้สึกว่าสบายไม่รู้สึกว่าไม่สบายไม่รู้สึกว่าผ่องใสหรือเศร้าหมองมันเป็นความว่างเหมือนกับดั่งอวกาศอยู่ตลอดเวลาเป็นความไม่ปรากฏอาการใดๆเลยไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์แต่ ไอ้ผู้ที่รู้สึกสุขรู้สึกทุกเนี่ยมันคือไอ้ขันห้าเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกบ้างเดี๋ยวผ่องใสบ้างเดี๋ยวเศร้าหมองบ้างเดี๋ยวมโหบ้างเดี๋ยวไม่โมโหบ้างมันคือขันห้าที่มันมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ไอ้ผู้ที่ไม่มีอาการเนี่ยมันไม่มีอาการเกิดดับมันหรือไม่มีการเปลี่ยนมันก็คือเป็นความไม่มีอะไรอยู่ตลอดเวลาตลอดการไม่ว่าตั้งแต่ชาติไหนๆมันก็เป็นความไม่มีปรากฏบันอยู่ตลอดการมันเป็นอมตะไอ้นี่มันเป็นธาตุอมตะ คือมันตั้งแต่ชาติแรกๆมาไม่รู้กี่ชาติมันก็คือเป็นอมตะอย่างนี้คือมันไม่ปรากฏอะไรตลอดเวลามันมีอยู่ในความปรากฏนี่เนี่ยคือปรากฏร่างกายและปรากฏให้มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เพราะฉะนั้นไอ้ร่างกายแต่ละร่างที่ไม่ว่าเป็นหมูหมากาไก่เป็นแมวเป็นคนเป็นเป็ดอสุรกายที่มันมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราคือผู้ที่ไม่ปรากฏอะไรเลยเปรียบเหมือนเป็นความว่างเปล่าของจักรวาลดังนั้นท่านเราเนี่ย มั่นคงอยู่ในใจเราร้อยเปอร์เซน์ว่าอะไรก็ตามที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ว่าจะดีปานใดไม่ดีปานใดก็ตามไม่ว่ามันจะสงบปานใดไม่สงบปานใดก็ตามไม่ว่ามันจะผ่องใสเศร้าหมองปานใดก็ตามมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราของเราไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่มันแตกตับมันตายแล้วมันมันเปลี่ยนร่างไปได้แต่เราคือตัวที่ไม่มีอะไรปรากฏไอ้ตัวนี้ไม่มีวันไม่มีการเกิดไม่มีการตายในหนัง เจ้าหมาตัสดาโลกตอนที่ตัดสู้ท่านตัดสู้ตรงนี้นะเราไปดูสิตอนที่พุณเจ้าตัดสู้ที่มีใบโพตกมาที่ที่ขาของพระองค์ที่พระองค์กําลังค้นหาว่าจะตัดสู้ได้อย่างไรพอดีมีใบโพมาตกแล้วั่นใบโพตกมาที่ขาของพระองค์แล้วพระองค์หยิบใบโพขึ้นมาดูแล้วพระองค์ก็ตกตะลึงเลยว่าเออแท้จริงเราก็คือธรรมชาติเอง เราก็อยู่ในเราก็คือธรรมชาติอันเดียวก็เราก็คือธรรมชาติที่ไม่แตกต่างจากธรรมชาติเราอยู่ในทุกที่อยู่ในใบโพนี่อยู่ในอากาศอยู่ในน้ำอยู่ในแสงแดดอยู่ในลมอยู่ในแผ่นดินที่เดินอยู่ในร่างกายอยู่ในจิตใจของของทุกคนเพราะว่าในทุกที่ที่มีความว่างนั่นแหละเราอยู่ในทุกที่ คือเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับแต่ส่วนที่ธรรมชาติที่เกิดดับย่อมเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเราไม่ได้เกิดเราไม่ได้ตายเพียงแต่เรามาปรากฏในรูปร่างใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยแต่เราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายแลวเราก็หายตัวไปไปดูดิท่านใช้คำนี้จริงๆเราว่าคำนี้มันสื่อ ถึงความหมายได้ดีได้ชัดเจนถึงใจนั้นวิธีปฏิบัติก็ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็ง่ายๆเลยไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยคือเราอย่าไปยึดผิดตัวแค่นั้นแหละอย่าไปยึดว่าหลวงตาหรืออาจารย์ทนยังไงจิตจะดีทำยังไงจะให้จิตเป็นนิ่งๆมันไม่คิดล่ะ ทำไงทาให้จิตมันหายฟุ้งซ่านน่ะทายังไงให้จิตมันโปร่งโลกเบาสบายทายังไงจ้จิตมันเฉยเฉยล่ะนี่มันไปเอาไอ้ตัวขันห้ามาเป็นตัวเราทั้งหมดอ่ะเพราะว่ามันมีเป็นตัวที่มีอาการที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แต่เราเป็นตัวที่ไม่ปรากฏอาการใดๆเลยไม่ปรากฏอะไรต้องต้องรอเวลาอยู่ในถ้ำกลางตัวที่ปรากฏอาการนั่นแหละหรืออาจจะกล่าวได้ว่า ในใจของเราเนี่ยมีจิตที่เคลื่อนไหวมีจิตที่ปรุงแต่งแต่ใจของเราไม่เคยปรากฏความเคลื่อนไหวปรากฏความปรุงแต่งเลยเรานี่ยเนี่ยเป็นใจหรือใจนี่นเนี่ยคือเราแต่ไม่ใช่เป็นตัวเราไอ้ส่วนไอ้ตัวเราที่มันมีความรู้สึกมันคิดอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราดังนั้นภายในจิตใจของเราที่มันมีความรู้สึกมันคิดอารมณ์ตลอดเวลาต่อให้มันดีไม่ดีมันมีอาการแย่มีอาการแช่ ต่อให้มีอาการอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ตัวเราสักอย่างเดียวต่อให้มันไม่แย่มันไม่แช่เป็นตัวที่มีสติขาตื่นรู้ไว้ไอตัวที่มีสติขาตื่นรู้ไว้มันก็ไม่ใช่ตัวเราอีกไตัวนั้นอ่ะเพราะไอตัวที่ไม่มีอาการเนี่ยมันคือตัวเราแต่ไอาตัวที่มีสติตื่นรู้ไว้เนี่ยมันคือตัวขันท่าเดี๋วนั้นต่อให้ผู้ที่มีสติขาไว้ไม่เคยหลงสติเลยไอตัวนั้นก็เป็นตัวขันท่าไม่ใช่ตัวเรา แต่ตัวเรานี่เปรียบเหมือนใจที่ไม่มีอาการใดๆปรากฏแต่ไอ้ผู้ที่มีตัวเราที่มีสติตื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นตัวขันห้าที่มันมีสติตื่นอยู่ตลอดเวลาอยู่ในท่ามกลางใจที่ไม่มีไม่ปรากฏอะไรเลยดังนั้นในในหนังพุทเจ้าหมหาสัตราโลกพี่พุทธเจ้าพูดกับตัดกับอนาถมิติกาเศรษฐีที่บอกว่าอน า, าถะคือกลัวตายเหรออนาถมิติกาเศรษฐีเธอกลัวตายเหรอ ขาพระเจ้ากลัวตายทำไมเธอจะกลัวตายแล้วในเมื่อร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ข้าจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ข้าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ก็ไม่ใช่ข้าความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์นี้ก็ไม่ใช่ข้าตัวผู้มีสตินี้ก็ไม่ใช่ข้า ตัวที่มีอาการอะไรใดทัด้งหมดก็ไม่ใช่ค่าดินน้ำลมไฟก็ไม่ใช่ตัวค่านี่เห็นไหมดินน้ำลมไฟอ่ะธาตุต่างๆที่ประกอบเป็นร่างกายก็ไม่ใช่ค่าที่มันจะแตกดับก็ไม่ใช่ค่าค่าไม่เคยเกิดค่าไม่เคยตายความเกิดความตายทับอะไรค่าไม่ได้นี่สำคัญมากเลยเพราะค่าไม่เคยเกิดค่าไม่เคยตาย นี่เนี่ยคือหัวใจแท้ๆเลยเราว่าแต่คนที่เขาเรียนติดคัมภีร์เขาก็ไม่ชอบตรงเนี้ยเขาบอกว่าจริงๆแนละ้วในคัมภีร์คือพุทธเจ้าไม่ได้ไปพูดกับอนาาะเองภาษาริบุตรไปเราให้ภาษาลิบุตร ไ, ไปพูดแต่ในหนังเจ้ามหมาสัตวโลก ค, คือพุทธเจ้าไปพูดเองแต่เราไม่ได้สนใจตรงนั้นหรอก ว่าใครไปพูดว่าตาลีบุตรตามตำราว่าตาลีบุตรไปพูดแต่พวกที่เรียนพิธรรมหรือเรียนมาัประเด็นเขาบอกว่าไม่ใช่นังเรื่องนี้แต่งผิดแต่เราไม่ได้สนใจตรงที่ว่าใครไปใครแต่งแต่งผิดเพียงถูกแต่เราสนใจตรงคําพูดตรงนี้ที่ราาพระเจ้าพูดกับอนาถาวิธิกาสตตีนี้ถ้าเราเข้าใจถึงตรงเนี้ไอ้ตัวเราเนี่ย ที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่อให้จิตดีโป่งโล่งเบาสบายจิตมันแย่มันแจ้มันปึงมันทึบก็ไม่ไม่มีความหมายต่อใจเราเลยเพราะเราคือความไม่มีอาการใดอยู่ตลอดการเป็นอมะตะเราพูดจริงๆอะนี่เราพูดทั้งหมดพูดออกจากใจเราจริงๆเราไม่ได้พูดจากความจําเลยเราจึงว่ามันง่ายธรรมะเนี่ยมันง่ายจริงๆ ไม่ใช่ยากแต่พวกเราคิดไอ้มันซับซ้อนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทุกไอ้ร่างกายเราเนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยที่มันมีความรู้สึกมันคิดอารมณ์ที่มันมีอาการเดี๋ยวจิตดีเดี๋ยวจิตไม่ดีเดี๋ยวมันคิดเดี๋ยวมันก็ไม่คิดเดี๋ยวมันนิ่งเดี๋ยวมันก็ไม่นิ่งเดี๋ยวมันก็เฉยเดี๋ยวมันก็ไม่เฉยเดี๋ยวมันก็ผ่องใสเดี๋ยวมันก็เศร้าหมองเดี๋ยวมันก็แช่เดี๋ยวมันก็แย่เดี๋ยวมันก็เออก็ดีกะด่าไม่แย่ไม่แย่โปร่งโลกงเบาสบายไม่มีความหมายต่อใจเราเลยอพรว่าอะไร ไอ้นี่ไม่ใช่ตัวเราเราคือความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรปรากฏไอ้สิ่งที่มีอาการปรากฏจึงไม่มีความหมายต่อใจเราแม้แต่น้อยนึงนิดนึงก็ไม่มีใจเลยเลยว่างเปลา่าตลอดกาลแต่ในความว่างเปลา่าตลอดกาลในใจเราก็มีอาการอยู่เพราะว่าเราขันห้ายังไม่แตกดับเราก็รออยู่ไปเนี่ยจนกว่าขันห้าเราจะแตกดับเราก็หายทุกข์สักทีเพราะอะไ เมื่อเรายังมีขันห้าอยู่เดี๋ยวเราก็ต้องพาตัวไปหาหมออีกแล้วเราเบื่อมากเลยเดี๋ยวหมอก็ตามไปรักษาเดี๋ยวฟันเราก็ผุเราก็ต้องไปถอนเก็เจียฟันจือเือโอ้โหเราเบื่อมากเลยไปนอนให้เขากร อ, อกฟันอ่ะเมื่อไหร่เราไปนอนที่อโต๊ะทาฟันเราอยา ก, กะตายสัทีจริงๆเลยเพราะว่าโอ้โหบางทีมันฉีดยาชาแทงเข้าไปแทงนี้แทงเข้าไปแทงนี่แทงเข้าไปในในฟันแทงเข้าไปใต้ฟันโอ้โหเจ็บจริงๆแล้วก็บางทีตอนรักษารากฟัน่ โอ้โหจิตยาไอไอยาชามันเข้าไปถึงอเพราะว่าอะไรตอนที่เขาเอาไอไอไปไปเขี่ยหลักฟันให้ให้ราักฟันมันขาดทั้งหมดอ่ะอีตอนนั้นเนี่ยยาชามันเข้าไปถึงอุออออ้ยเราเบื่อมากมันเจ็บมากเลยแล้วแล้วเรากับฟันผุบ่อยเราก็ต้องไปรักษาราักฟันจนเกือบหมดทุกซี่แล้วเนี่ยมันโออีตอนที่เขาเอ า, เอาไอไอเ อ, อเข็บอะไรไปเข้าไปควานควานควา น, วานอวบศาทฟันเนี่ยไอตรงเนี้ยมันฉีดยาชาเข้าไปถึง อุย้ยเก็บจริงๆเลยเราว่าเมื่อไหร่จะตายต่อสิวเนี่ยมันจะได้เบื่อไม่ต้องมาให้เขาขูดขูดฟันแล้วอิ่นหน่อยเนี่ยเราจะต้องหเดี๋ยวต้องพาตัวมาหาหมอให้ผ่าตัดพาตัวมาหาหมอให้ผ่าตัดให้ก็เจาะเอาสายยางนั่นแทงนู่นแทงนี่อุ้ยเมื่อไหร่จะตายต่วสิเดี๋ยวมันแทงอีกแล้วอุย้ยตอนมีสังขารร่างกายยังมีไอ้ที่มีความรู้สึกมนคิดอารมณ์ได้เนี่ยมันมีชีวิตอยู่เนี่ยมันทรามานจริงๆเลยเดี๋ยวก็ต้องพาตัวไปหาหมอฟันหมอหมอกายเดี๋ยวก็ต้องพาไปพอไป เดวก็เดาไอ้ส่วนจะเก็บจาอื่นมันะพอเรื่องเรื่องเล็กเดี๋ยวก็ต้องหิวเดียเด๋ยวก็ท้องเดินเตะนั่นเตะนี่เจ็บอุยมันก็เรื่องปกติอเนี่ยแต่นี่สิเดี๋ยวก็ต้องพาไปหาหมอฟันเดี๋ยวก็ต้องพาไปหาหมอกายผ่าตัดพาไปเจาะ น, นู่เจาะนี่ไปสายยางโอ้ยตราบใดยังมีสังขารอยู่เนะี่ยมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์สิ้นสังขารซะมันก็สิ้นทุกข์ก็เหลือแต่ความว่างเปล่าเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่า เมื่อเราพบใจที่ว่างเปล่าแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะมีสังขารเหลืออยู่เลยเราเข้าใจเลยแต่ละท่านน่ะท่านไม่อยากอยู่อย่างเดียวแต่มีคนขอให้อยู่อารัตนาให้อยู่อารัตนาให้อยู่มีอายุยืนหมื่นหมื่นปีอะไรเงี้ยโอ้ยหลุงตามหาบุกบอกว่าใครก็มีแต่อารัตนาให้เราอยู่เราเราอยู่มีใครสักคนหนึ่งไม่จะรู้ว่าในร่างกายเราเนี่ยไม่มีที่ตรงไหนไม่ปวดเลยเราปวดหมดทั้งตัวแล้วเราทนไม่ไหวแล้ว ใครก็จะอารัตนาให้เราอยู่เราอยู่เราอยู่แต่ใครจะรู้แล้วบอกว่าโอ้โหเราปวดจริงๆเลยอคนที่อารัตนามันไม่ปวดได้ไหมคนที่ไม่ปวดมันคือคนที่ถูกอาราธนาอยู่โอ้โหปวดท่านบอกว่าเราปวดทั้งตัวตอนที่ท่านไกลจากมนุษภาพว่าท่านบอกเลยมี ม, มเป็นปึกไว้ตรงเนี้ยว่าเราปวดหมดทั้งตัวเลยไม่มีส่วนไหนในร่างกายเราที่ไม่ปวดเลยปวดจนกระทั่งแบบคนยากที่คนธรรมดาจะจะรับได้ ถ้าปวดมากเลยขนาดนิ้วหัวแม่โป้ของท่านเนี่ยปวดจนหลุดเลยอะ่ะรักษาไม่หายได้โลกกรรมของท่านปวดจนหลุดทรมานจนจนนิว้วหม่โป้หลุดเลยอ่คิดดูสิด้วยกรรมในชาติก่อนนั่นเนี่ยที่ท่านกับเพื่อนเนี่ยไปจุดไฟล่าสัตว์ให้ไฟมันวิ่งออกมาจากป่าแล้วก็ล่าสัตว์ที่มันวิ่งหนีออกมาจากป่าแล้วบางตัวสัตว์บางตัวที่มันเนี่ย วิ่งหนีไม่ทันเชา้าเมื่เลยถูกไฟไหม้ด้วยกรมนั้นเนี่ยแม้แต่ในชาตนี้ท่าไม่รู้อรหันแต่ทรมานแสนสหาหัสก็เลยบอกว่าเราปวดเหลือเกินเลยปวดทรมานแสนสหาหัสใครไม่รู้อรัตนัยเราอยู่เราอยู่เราทนไม่ไหวแล้วแท่านก็ยอมแท้แก่ความเจ็บปวดเพราใจท่าน ถึงซึ่งความสบายความไม่มีอาการแล้วท่านเป็นเลยอยากจะกลับไปสู่ความไม่มีอาการดังเดิมไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องทุกข์ทรมานหายตัวไปเป็นอมตะตลอดกาลไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายใจเกิดอีกต่อไปปัวใจของท่านถึงความไม่ทุกข์แล้วปนจับทุกข์แล้วเราจึงบอกว่าธรรมะไม่ได้ยากมันยากตรงที่พวกเราไม่ยอมทำความเข้าใจ เราพยายามพูดอย่างเนี้พูดพูดพูดพูดูดตรงนี้นะเพราะมันไม่ได้สลับซับซ้อนนะเราคิดว่ามันพอจะพูดให้เข้าใจได้มันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยแต่ถ้ามาก่อนเนี่ยใจเรายังไม่เข้าใจได้ใจนะเราพูดจากความจำเนี่ยมันก็ ย, ยังมู้วนๆน่าดูพอมันเข้าใจแล้วเนี่ยได้ใจของเราแล้วถึงใจแล้วเนี่ย มันไม่ได้ยากสลับซับซ้อนเลยมันเป็นธรรมชาติตรงไปตรงมามีแค่เนี้มีไอ้ลางกายเนี่ยมีถาดดินน้ําลมไฟสี่ถาดขึ่งมาจากไอ้ถาดดินก็เริ่มต้นมาจากนี่เนี่ยสเปิร์มของพ่อว่ายมาไอส้สเปิร์มว่ายเข้ามาเนี่ยถาดดินแล้วมาเจาะเอาไขา่ที่เป็นถาดน้ําเนี่ยจยะได้เ ร, เร า, เเาก็เอ้ยไข่าขาข merit. มั น, ม เ, ind, มนเป็นถาดน้ำได้ยังไงวะก่อนสงสัยเพราะเราไปเปรียบเทียบไข่คนก็เขาไปเปรียบเทียบกับไข่ไก่ไข่ไก่ไข่เป็ดมันต้องมีเปลือกแข็งๆแล้วเป็นถาดน้ำได้ยังไงวะ พอไปดูในไปเสิร์ชดูในกูเกิลปรากฏว่ามันไม่มีมันไม่มีเปลือกแข็งมันขายเป็ดไข่ไก่แล้วมันก็มีแต่ไอ้เหลวๆเป็นเป็นเจลเป็นวุ่นวมันเป็นน้ําทั้งก้อนเลยเขาจึงเรียกว่าถานน้ําและไอ้สเปิร์มเป็นธาตุเป็นธาตุดินมันว่ายชุดเข้าไปแล้วก็ไปเจาะไอ้ถ่านน้ําพอสเปิร์มกับถ่านน้ํามันเจาะเข้าไปในถ่านน้ําได้มันก็เลยกลายไปเป็นรวมเป็นตัวไอ้สเปิร์มตัวสเปิร์มก็หายไป ค่อยๆเปลี่ยนไป็นผสมกับถ่านน้ําแล้วก็เริ่มเป็นแม่ก็หายใจเอาลมหายใจเข้าไปแล้วก็เอาความร้อนเอาธาตุไฟเข้าไปสิถ่านดินน้ําลนไฟเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเป็นไอจากที่ประเจาะกระเด็นใส่ไข่ก็ค่อยๆแปลสภาพเป็นจุดเลือดเล็กนิดเดียวแล้วแม่ก็เริ่มกินเลยกินซากศพหัวซากศพควายซากศพเป็ดซากศพหูซากศพกุ้งหอยปูปลาซากศพนะเนี่ย น้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยเอาเข้าไปทําให้ไอเลือดคนเนี้ยมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นไอเลือดที่มันโตขึ้นเนี่ยวิญญาณยังไม่เข้ามาผสมนะจนถึงไอไอก้อนเลือดเนี่ยมัาโตขึ้นเต็มที่แล้วตอนนั้นยังไม่มีตาหูจมูกลิ้วไก่นะยังไม่มีและใจก็ยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ลอยยังไม่ลอยมาไอใจหรือไอไอเอเอเอตาหูจมูกลิ้วไก่ใจมันยังไม่มีไอไอยตนาเนี่ยมันยังไม่มีเพราะอะไร ไอตัวว yeah. mm ิญญาณเนี hmm. mm ่ย hmm. ต mm ัว hmm. ส mm ําคัญมันยังไม่มาคือเราในไหนวิญญาณมันยังไม่มาจนกระทั่งไอไอก้อนเลือดเนี่ยมันผสมกันได้ทีแล้วไอดินน้ําลมไฟผสมกันได้ทีแล้วเราจะเห็นว่าไอดินน้ําลมไฟเนี่ยมันยังไม่มีความรู้สึกนึกคิดนะไอเลือดก่อนนั้นเน่ยจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ยังไม่มีเดี๋ยวโกรธยวไม่โกรธเดี๋ยวฟองใสเดี๋ยวซ่อมหมอมันจะไม่มีไอตัวเนี้ย มันมีต่อไหนนู่นไหนตัวร้ายมันมาแล้วคือตัวเราเนี่ยวิญญาณเนี่ยมาแล้ววิญญาณธาตุลอยมาแล้วไอ้วิญญาณธาตุคือมันไม่มีอาการอะไรเลยมันมีสภาพเป็นความว่างเช่นเดียวจักกวางหรือไม่มีใครมองเห็นมันนะจริงๆแล้วดั้งเดิมของเราแตอย่างนั้นคือมันเป็นวิญญาณธาตุที่ไม่มีใครมองเห็นมันเหมือนกับเป็นอากาศธาตุแล้วมันลอยมาแล้วเข้ามาผสมไอ้ดินน้ำลมไฟไอ้หยดเลือดในแหนกนเลือดนั่นแนหะที่มันผสมกันได้ที่เสร็จแล้ว พอวิ ญ, ญญาณนิทาเข้ามาผสมแค่นั้นแนหะมันเลยกลายเป็นดินน้ําลมไฟแล้วก็วิญญาณกลายเป็นห้าธาตุปุ๊บมันเลยเป็นชีวิตขึ้นมาได้เลยคือมี น, นามรูปคือมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วจึงเริ่มก่อเกิดเป็นรูปขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างค่อยๆเขาบอกอะไรล่ะเหมือนกับเป็นตัวจิ้งเหลนเล็กๆที่ยังไม่มีตาไม่มีไม่มีเอาไม่มี อายฐานะทั้งหกเลยเหมือนกับเป็นตัวจริงหรียญเล็ก ๆ, ๆเป็นลูกจริงหรียญเล็ก ๆ, ๆแค่นั้นเองแต่ตัวนั้นอ่ะมันเริ่มมีแล้วมีนามรูปคือนามเนี่ยมามาก่อนนะมันเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้แล้วคือฝ่ายนามอาะคันเนี่ยมันเกิดก่อนและรูปมันค่อยๆสมบูรณ์เป็นคนขึ้นมาคือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาตรงนี้พระพุทธเจ้าค้นพบ มันเรียงลําดับมาแบบนี้เลยพระองค์จึงมาบัญญัติว่าวิชาเป็นปใจใัจจัยเกิดสังขารคือผสมกันติดสังขารดินน้ําลมไฟคือสเปิร์มกับไข่ของแม่ผสมกันติดผสมกันติดแล้วก็ดินน้ําลมไฟผสมกันติดสังขารเป็นปัจจัยเพราะมันผสมกันติดมันเลยทําให้สังขารเป็นปใจใัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเลยลอยมา เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยบวกกับสังขารเกิดน้ำลมไฟะสมก็ติดจึงเกิดนามรูปนี่ไงเมื่อก่อนเราสงสัยส่ทําไมมันไม่เป็นรูปเป็นนามอ่ะเขาพูดชอบรูปนามแต่มันเป็นนามรูปคือมันเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก่อนแล้วจึงเป็นรูปที่มีรูปร่างเป็นเออเป็นรูปร่างให้รู้ว่าเป็นตัวอะไรเป็นตัวคนหรือเป็นตัวเราเกิดเป็นจิ้งเหลียนก็เป็นจิ้งเหลียงเป็นงูก็เป็นตัวงูเป็นนั่นก็เป็นตัวเส้นสัตติ์ก็เป็นตัวเริ่มเป็นมองออกก็เป็นสัตติ เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดสลายตนะคืออายญาณะหกคือเริ่มมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจไอ้นี่มาที่หลังหมดนะเพราะไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเคลื่อนไหวเป็นตัวมีชีวิตมันมาที่หลังขึ้นมาจากผสมเสร็จแล้วแต่ก่อนผสมเสร็จนะั่นคือเราเนะี่ยคือวิญญาณนะั่นแหละคือความไม่ปรากฏอะไรเลยวิญญาณนธะาตุดั้งเดิมแท้ๆมันคือความไม่ปรากฏอาการใดๆเลยนั่นแนะ่คือเราทุกชาติไป เราจึงไม่ได้เกิดเราจึงไม่ตายไอตัวที่มันเกิดตายมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้น่ะไอเป็นตัวที่เปลี่ยนไปแต่ละล่างน่ะมันมาตัวผสมเสร็จแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาวิธีการปฏิบัติอะ่ะ อ, อย่าไปให้ค่าต่อไอ้ตัวไอตัวเราเนี่ยที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเดี๋ยวมันจิตนิ่ง เดีตัวเราก็สบายเดี๋ยวตัวเราก็ไม่สบายไอ้ตัวเราที่สบายเดี๋ยวตัวเราก็ไม่สบายเนี่ยตอนที่ตัวเรารู้สึกว่าตัวเราสบายมันก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะเราคือความที่ไม่ปรากฏตัวตนเป็นวิญญาณนัทธาที่ไม่ปรากฏตัวตนแต่ไอ้ตัวที่รู้สึกสบายคือไอ้ตัวที่ผสมเสร็จคือไอ้รูปขรานกับนามขรานไอ้ตัวประสมเสร็จไม่ใช่ตัวเราแต่เราเป็นตัววิญญาณเป็นวิญญาณนทธาต่นั้นที่ไม่มีอาการอะไรเลยปรากฏอะไรคือเป็น เปรยบเหมือนเป็นใจที่ว่างเปล่าไปหมดเหมือนดั่งจั ก, กรวาลพอถึงคราวที่ตัวเราไม่สบายไอ้ตัวเราที่ไม่สบายรู้สึกแย่รู้จิตแค่ไงก็ตามมันก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าไอ้ตัวเราที่มีอาการทุกอาการเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเราคือวิญญาณอธาศิที่ไม่มีอาการ ใ, ใดๆไม่ปรากฏตัวตนอะไรเราไม่เคยเกิดไม่เคยดับเราไม่เคยตายดังนั้นชัดใจเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตว่า ไอ้ตัวเราที่มีอาการอย่างไรก็ตามไม่ว่าดีเลิอดประเสริฐอะไรก็ตามหรือแย่ขนาดไหนก็นตามไม่ใช่ตัวเราสักอย่างหนึ่งไม่มีค่าไม่มีความสําคัญมรรตหมายต่อใจเราแค่นั้นแน่เราเลยกลายเป็นไอ้ตัวที่ไม่มีาไม่มีอาการเลยเป็นตัววิญญาณตถาทวิญญาณดั้งเดิมแตแท้หรือจิตดั้งเดิมแต่แท้ที่ไม่มีอาการใดๆเลยแค่นี้เองในใจเราเนี่ยมั่นอย่างนี้ร้อยเปอเซนไหว่าเราเนี่ยเป็นผู้ไม่มีอาการ วิญญาณธาตุที่ไม่ปรากฏตัวตนไม่ประกบรูปพรรณสันฐานใดๆไม่ปรากฏอาการใดๆเลยพุทธเจ้าจึงตรัสว่าวิญญาณเนี่ยคืออสลีลังอสลีละสลีละแปลว่าอะไรมีรูปพรรณสันฐานอสลีละไม่มีรูปพรรณสันฐานใดๆเลยไม่มีกิริยาอาการใดๆเลยนี่คืออสลีละหรืออสลีลังนั่นแน่คือวิญญาณตั้งเดิมแท้ๆเป็นอสลีลังหรืออสลีละไม่มีรูปพรรณสันฐานใดๆเราคืออันนั้นน่ะ แต่เราชอบไปเอาไว้ตัวเราที่มีอาการดีอาการไม่ดีอาการโป่งโล่งเบาสบายอาการไม่โป่งโล่งเบาสบายอาการที่มโหอาการที่ไม่มโหเป็นตัวเราอาการที่จิตนิ่งไม่คิดอาการที่จิตที่คิดเป็นตัวเราอาการที่ตัวเราฟุ้งซ่านตัวเราไม่ฟุ้งซ่านเป็นตัวเราเราไปเอาผิดตัวหมดเลย แท้จริงเราคือผู้ที่ไม่ปรากฏตัวเป็นวิญญาณที่วิญญาณคือเป็นอาสลีหลังตัวที่เป็นอาสลีหลังคือไม่ปรากฏรูปพรรณสันฐานใดทั้งหมดไม่ปรากฏกิริยาการใดทั้งหมดเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายพอใจเราจะเป็นร้อยเปอร์เซนอย่างนี้ไอ้ร่างกายเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่มีใครมายึดเลยมันไม่ว่าจะมีอาการดีถูกใจไม่เสียใจมันจะโอ้โหร่างกายเราจะโปร่งเบาสบายสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจมันไม่ใช่ตัวเราสักที แต่เราต้องทนทุกข์กับมันเพราะว่าอะไรมันมีสังขารที่ต้องมีร่างกายมีความเจ็บปวดเนะี่ยต้องหิวต้องโหยเดีย๋ยวต้องพาตัวไปหาหมอฟันพาตัวไปหาไปหาแพทย์ผ่าตัดอีก แ, แล้วเราเบื่อมากเลยเวลาไปขึ้นเตียงผ่าในก็ฉีดยาชาถอนฟันเนี่ยอุ้ยปวดเมื่อไหร่จะตายสิวะอืมมันจะได้หายตัวไปกลายเป็นี่ยวิญญาณตาตทที่มันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมันจะได้หายตัวไปเป็นความไม่มีไม่ปรากฏอาการเนี่ยเป็นความว่างเปล่าคือหายไปในจั ก, กรวาล ถ้ายังมีตัวอยู่เมื่อไหร่เดี๋ยวมก็ต้องเจ็บตูดเจ็บตี้ป่วยนั่นป่วยนี่จะหมอโทรมาตามแล้วเมื่อไหร่อาจารย์จะมาหาหมอสักทีไม่อฮะเราก็เลี่ยงไปเลี่ยงมาเนี่ก็โทรมาตามต ส, สองครั้งหมอโนรนีนแค่นี่ก็ส่งเข้าไปแล้วอาจารย์เห็นเขาบอกว่าหมออลชุนมาปฏิบัติอาจารย์เขาบอกว่ากลับไปบอกับหมออาจารย์เป็นโรคท้องไม่สบายท้องอืดบางท้องเดินมาอะไรบางอยากให้อาจารย์ไปตัวจไม่ไปยังไม่ไปเกลียดจริงจริงเลยไปหาหมอเนี่ย เใช่ไหมมันเดี๋ยวมันต้องแตกดับเดี๋ยวมันไปหาหมอหมอบอกเป็นอะไรก็จําเนื้อเพรอะไรก็มไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องแตกดับแต่เราไม่เคยเกิดไม่เคยตายนะโอ้ยถ้าเราเนี่ยไปยึดปิดตัวเอาไว้ไอ้ตัวที่มันมีอาการเนี้ยเป็นตัวเราไอ้ตัวกายเนื้อเนี่ยและไอ้ตัวกายเนื้อที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นตัวเรา พอหมอบอกว่าตัวเราเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นบ้าเลยสติแตกเป็นบ้าเลยเนี่ยแต่ละคน่เราเห็นมาแล้วสติแตกเป็นบ้าเลยเพราะว่ามันไปยึดผิดตัวมันไปยึดผิดตัวเนี่ยโทษของการยึดผิดตัวเนี่ยมีโทษมหันฯพอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นบ้าเลยสติแตกเป็นบ้ามันกลัวตายจนเป็นบ้าเลยแล้วร้ายที่สุดเนี่ย มันเป็นบ้าปเป็นทุกข์เฉพาะในโลกปัจจุบันยังไม่พอไอ้ความยึดผิดตัวเนี่ยมันเลยพอตายแล้วมันเลยกลายเป็นผีจริงๆที่ททททชาว บ, บ้านบอกวิญญาณแต่ว่าผีอะ่ะไม่ใช่วิญญาณแปลว่าความว่างไม่มีตัวตนเป็นอาสลีละอย่างพุทธเจ้าว่าจะแล้วมันเลยกลายเป็นผีมานอ่างร้องให้ใน ง, งานศพตัวเองอะ่ะเสียใจโศกเศร้าเสียใจอาจารย์ฝากครอบครัวผมด้วยอาจารย์ช่วยด้วยอาจารย์ช่วยด้วยอุย้ยเราไม่รับฝากหรอ มันก็เลยชาวบ้านบ อ, อกว่าวิญญาณเป็นผีแล้วมันก็เป็นผีจริงๆะเพราะว่าอะไรมันไปยึดผิดตัวมันเอาไอ้ตัวที่มีอาการเป็นตัวเรามันก็เลยกลายพ้นพ อ, อตายแล้วมันก็เลยก็ได้ออกมาจากล่างเรามานั่งร้องไห้นั่งงานจบตัวเองเสร็จแล้วก็ก็มากวักมือเรียกตามมานน่ตามมาตามมาพอตามเข้าไปตายเลยเพราะไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัว ที่มีความรู้สึกนกคิดอารมณ์เนี่ยมันก็จะกระเด็นออกมาจากล่างพอกระเด็นจากล่างปุ๊บเขาก็มาเกาะมาเรียกมาตามมานี้ตามมาหนี้พอตามเข้าไปอ่ะไอ้กายเนื้อตายเลยเพราะไอ้นั่นเน่ยมันเป็นไอ้จิตที่ยังมีรูปอยู่คือมันยังไม่เข้าถึงไงวิญญาณเนี่ยที่มันเป็นตัวมันไม่มีอาการใดๆแต่มันไปเข้าใจว่าตัวมันเนี่ยคือวิญญาณไอ้ตัวไอ้ตัววิญญาณเนี่ยคือไอ้ตัวที่ผสมกับไอ้กายเนื้อเนี่ยเป็นตัวที่มีอาการ มันไปยึดไอตัวว่าที่มีอาการเป็นตัวเราซะพอมันก็เลยออกมาทั้งไอตัวที่มีอาการนั่ น, นแหลก็ได้ออกมาทั้งตัวอาการเวลามันไอตัวอยู่ในกายเนื้อเนี่ยที่มันทุกข์ร้องไห้อย่างไงไอ ไ, ไอตัวที่กระเด็นออกมาเนี่ยมันก็ทุกแบบนั้นเลยเด้เลยเหมือนกันร้องไห้นั่งร้องไห้ฟูมฟาอยอยู่นั่นแหละเน <hält> พราะอะไรเราไปยึดเอาไว้ตัวที่มีอาการเป็นตัวเราเราไม่เนี่ยว่าตัวเราไม่มีอาการเพราะเราไปยึดเอาไอตัวที่มีอาการเป็นตัวเรา <M> <M> มันก็เลยไอตัวที่มีอาการกระเด็นออกมาเลยแล้วตอนนี้มานั่งร้องไห้ต่อ พอจะไปจุดทูบเมื่อก่อนนี้จะไปจุดทูบอ่าให้เขาซะหน่อยเขาเขาเชิญไปในงานปรากฏว่าไม่นะไอตัวเจ้าของล่างมานั่งรองไ้ า, า, ยนะ อ, ายอยู่หน้ากระถางทูบเลยแหละรองไห้อยู่หน้ากระถางทูบเลยแหไม่ไปไหนหรอกเป็นแล้วก็มาเอาอะไรนู่นเดี๋ยวนายนิลบาลมาแล้วเอาสามง่ามมาแทงกันไปแล้วไล่แทงกันไปแล้ว ไม่เคยมีใครยอมไปกับพวกนายนินาบา ล, ล่ะมันดิ้นรนขัดขืนเต็มที่เนี่ยทุกไอ้ทุกวิญญาณที่ยังเป็นตัวโปร่งแสงเนี่ยมันดิ้นรนต่อสู้ขัดขืนทุกคนฉุดกระชากลากันไปต่อหน้าต่อตาเราเนี่ ย, ยแหละดังั้นนายนินาบาลเนี่ยมจะต้องมาสองตนโยมมาทูตเนี่ยมาสองตนตนเดิมก็แทงเข้าไปอีกตนหนึ่งก็ฉุดกระชากลากไปมึงไม่ไปก็แทงด้วยก็เลยต้องโอ้ยเจ็บมากก็ต้องตามเข้าไปปุถยก็เข้าไป เอาไปเข้าตะแรลงแกงเอาไปปกกลุมนรกไปถึงบอกว่าท่านยึดผิดตัวเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องร้ายแรงมากมันเป็นเรื่องร้ายแรงตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่กลัวตายจะเป็นบ้าและมันเป็นเรื่องร้ายแรงตั้งแต่ตายไปแล้วยิ่งโอ้โหแสนสาหัสหนักกว่าตอนมีชีวิตอยู่ในโลกอันนั้นน่ะน่ากลัวมากมันมีลูกศิษย์เราบางคนน่ะ ค น, นก่อนก็มีมายังไม่เคยฝึกกิตอะ่ะแต่มันทําไปมันทํารู้ลมหายใจเขาออกไม่กี่ที อ, ะอ่ะอ้าวทาไมเราออกมาอยู่นู่นอกล่างเราอันเนี้ยไม่เห็นตัวเองนอนนอนโกนอยู่แล้วตัวเองก็มายืนดูตัวเองนอนโกนอยู่นอกล่างไอคนเนี้มันทําได้อยู่เรื่อยเลยเป็นปบ่อยๆมันสามารถทําได้เลยนอนรู้ลมหายใจไม่กี่ทีเนี่ยไอตัวเองเน่ะ ที่เป็นเป็นกายป่งสอยมีอีกตัวหนึ่งออกมาจากล่างของตัวเองแล้วไม่ตัวเองนอนโกนอนโกนอยู่เราเขาก็มาถามเราอาจารย์ในโลกอันนั้นนะมันน่า ก, กลัวมากเลยคือพอออกจากล่างมาแล้วมันโอ้โหมันว่าวเวมากเลยอ่ะมันไม่มีใครเลยในโลกนั้นนะ่ะจะพูดกับใครก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ากลัวมากเลยในโลกนั้นนะ่ะมันจะพูดกับใครก็ไม่ได้ แต่ถ้าอยู่ในร่างไอ้กายเนื้อที่กำลังนอนหลับอยู่เนี่ยมันยังพูด ก, กับคนนพูด ก, กับคนนี้ติดต่อคนนั้นคนนี้ได้แต่ในโลกนั้นเนี่ยมันก็ะเด็นออกไปแล้วเนี่ยมันยืนดูตัวเองเนี่ยไอ้โลกนั้นไม่มีใครเลยเป็นแต่โลกตัวเองโดดๆมันน่า ก, กลัวมากเลยเขาก็เลยรีบกระโดดกลับเข้ามาในร่างตัวเองทุกทีเลยเดี๋ยวอา้าวพอรู้ลมหายใจเขาออกไม่กี่ทีกระโดดออกไปแล้วไปอยู่นอกร่างตัวเองเลยรีบกระโดดกลับเข้ามาในร่างตัวเองอยูเรื่อยเลยวันก่อนเป็นเด็กก็มาแบบเนี้ยเป็นเด็ก คอยออกไปจากล่างด้วยแต่เขาบอกไม่รู้มันเป็นอะไรเดี <anes somewhere. S 1> ๋ยวมันก็เดินตัวตัวมันเองเดินออกไปจากล่างมีสองตัวเดินไปจากล่างแต่อาจารย์มันทําไมมันมันเหมือนกับเป็นมันมีอะไรเป็นใยเหนียวเหนียวมันคอยดึงกลับกลับมาเราเอาไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่เองที่เดินออกจากล่างเนี่ยมันมากรแทกกับตัวเองที่เป็นกายเนื้อปึงแล้วก็อูดบอกว่าบางทีทําให้ป่วยเลยเป็นอยู่เรื่อยๆเลยไอ้ตัวนั้นมันคืออะไรไอ้ตัวที่มันเหมือนกับว่าพอมัน เขาเนี่ยเดินจากกลางวัตถุเรน่ะมันจะมีตัวหนึ่งน่ะมันจะมีแค่เป็นใยเป็นใยเนืเหนียวเนี่ยมันอยากมันเหมือนไใ้หนังพลาสติกอ่ะยางหนังพลาสติกที่มันมองไม่เห็นยางหนังพลาสติกมันเป็นใยๆอ่ะแต่มันมองไม่เห็นเป็นใยแล้วมันหนูไอ้เป็นใ่หนังพลาสติกมันดึงเด้งดึ๋งดูดไอเนี่ยกับกลับกระเดงกลับมาเหมือนในยางยางหนังพลาสติกที่มันล้างล้างออกไกลๆแล้วมันดีดตึ้งกลับมาพอไอ้ไอ้กายโปร่งแสงเนี่ยที่มันออกไปแล้วมันก็เด้งกระเดงกลับมารวมกับไอ้ ไปกายเนื้อเนี่ยโอ้ยมันมันสะเทือนมากเลยทาให้ไม่สบายอย่างหลายครั้งเราบอกอุ้ยถ้าไอไอเหมือนย า, ยางหนังสติ๊กเนี่ยที่มันไม่มีที่เรามองไม่เห็นเนี่ยถ้ามันไมไนาา่ไอ้ตัวนี้ขาดจะตายเลยไอ้ตัวนั้นคือใยชีวิตที่มันยังทําให้ไม่ตายจะเห็นว่าขานาดยังไม่ตายเลย มันมีอีกตัวหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีอีกตัวนึงแล้วออกไปอ่ะมันเลยเหมือนอย่างที่เราพูดเลยเห็นไหมขนาดยังไม่ตายเลยแต่ละคนมันออกไปมีอีกตัวแล้วแต่มันมีอีกตัวหนึง่งเลยเหมือนว่าวิญญาณแปลว่าผีชาวบ้านเลยแปล <ắ> ว่าวิญญาณแปลว่าผีเพราระมันมีตัวแต่มันไม่เข้าไปถึงไอ้วิญญาณนัทธะที่มันไม่มีตัวเพร า, ราระมันจับปิดตัวมันเอาไอ้ตัวที่มีความรู้สึกมีคิดอารมณ์เนี่ยเป็นตัวเรามันเลยกลายเป็นตัวผีจริงๆวิญญาณแปลว่าผี เราไม่ได้เข้าใจว่าเราเป็นผู้ไม่มีอาการใดๆเลยเป็นวิญญาณธาตุที่เป็นอาสลีลังไม่มีรูปพรรณสันฐานใดๆไม่มีอาการใดๆเลยดังนั้นในตัวเราที่มีความรู้สึกหรกคิดอารมณ์อะอะไรก็ตามไม่ว่าจะดีปานใดสงบนิ่งว่างปานใดก็ตามมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเราเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวแม้แต่เสี้ยวหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่นัแน่เราจะเข้าถึงใจที่ว่างเปล่าคือจิตตั้งเดินแชหรือวิญญาณดั้งเดินแช วิญญาณธาตุดั้งเดือแท้ที่เป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับเหมือนกับดั่งความว่างเปล่าของจักรวาลเนี่ยพอไอ้ขันห้าแตกดับแค่นั้นแหละไอ้ขันหน้าคืออะไรไอ้ร่างกายเราเนี่ยหรือตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยดับแค่นั้นแหละเราก็เลยหายตัวไปไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างขงจักรวาลดังนั้นเนี่ยตอนพระโคติกะเชื้อดกอตายอ่ะพระโคติกะป่วยเป็นมะเร็งหรือไเนี่ย จ็ปวดทรมานแสนสาหัสจนทนไม่ไหวก็เลยเอามีดมาเชิดคอตายแต่ตอนเชิดคอตายเนี่ยเลือดมันไหลนองมาท่านเห็นเลือดแล้วปองสลดสองเวทในสังขารที่เนี่ยในเห็นสังขารที่ไม่เที่ยงแล้วท่านก็บรรลุพรนิพพานปล่อยวางในร่างกายสังขารตัวตนคือปล่อยวางทั้งไอ้ไอ้ขันห้าทั้งหมดเลยไอ้ไอ้ร่างกายจิตใจซึ่งเป็นตัวที่มีความรู้สึกมีกิเลท่านปล่อยวางหมดเลยบรรลุพรนิพพานไปก็สุดฌานรู้ เป็นวิ ญ, ญญาณธาตุเข้าไปถึงวิญญาณธาตุพอท่านตายปุ๊บไอ้ขนหน่าดับปุ๊บไอ้วิญญาณธาตุหายไปเลยอ่ะอ้าวโยมาทูตมารอจะไปลงโทษมารอตั้งแต่ตอนเคลื่อนเชื่อนกอตายแล้วย ม, มาทูตอ่ะพอพาคโหติกาเชื่อนคอตายเสร็จอ้าววิญญาณธาตุหายไปเลยจะเอาวิญญาณไปอ่ะปกติมันจะต้องมีวิญญาณเหลือเหมือนที่ชาบ้านบอกวิญญาณแปลว่าผีอ่ะมันจะต้องมีผีเหลืออยู่ อ้าวมันหายไปไหนวะผีของพระโคติกาเนะี่ยหายไปมันจะหายไปไหนได้งไงหรือวิญญาณเนี่ยวิญญาณของพระโคติกาเนี่ยหายไปไหนที่วิญญาณ ย, ยังมียังมีรูปวิญญาณอยู่ยังเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยมันหายไปยังไงอ่ะหาไม่เจอเลยไปถามพระพุทธเจ้าอ่ะเอ้วิญญาณของพระโคติกาหายไปไหนอมารออยู่มารออยู่ก่อนแล้วแต่พอตายแล้วหาวิญญาณของพระโคติกาเนะอ า, าไปไม่ได้ พุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณของพักโกติกาบรรลุอรหันต์แล้วบรรลุพนิพย์านแล้วในขณะที่เชิดกอตายวิญญาณของท่านเลยดับไปเหมือนดั่งเปลวไฟที่ทิ้นเชื้อหรือเหมือนดั่งเปลวไฟเทียนที่ถูกเป่าดับไปเปลวไฟนะเปลวไฟเทียนที่ถูกเป่าดับพึบหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเปล่าของธรรมชาติ นั่นแหลยมทมูตเลยไม่สามารถเอาตัวไปลงโทษได้อีกบาป ก, กรรมทั้งหลายก็ให้ผลไม่ได้ต่อไปกลายเป็นโมฆะกรรมเพราะหายตัวกลืนไปเป็นเดี่ยวขวพางของจักรวาลกลายเป็นหายตัวไปเป็นอมะตะตลอดกาลเขาจึงเรียกว่าจิตเดิมแท้เป็นอมะตะ หรือวิญญาณดั้งเดิมแต่แจ้เป็นอมตะอมตะไม่ใชะมีตัวอย่างเป็นอมตะคือหายตัวไปเดยอย่เป็นอมตะถ้าเราจะหายตัวไปให้ได้เราก็ต้องเปิอย่างเนี้ยอย่าไปยึดเอาไว้ตัวเราเนี่ยที่มีอาการดีไม่ดีจิต ด, ดีไม่ดีฟันไหนอย่าไปยึดเอาเป็นตัวเราจะต้องไม่มีผู้ยึดเข้ามายึดหลงผิดตัวเป็นอนุนขาดเราก็จะหายตัวไปเหมือนดังโพดิกโกโพดิกาแต่ไม่ใช่ใครฟังอันนี้แล้วก็ใจผิดไปเชือดคอตายอืะ แต่ยังไม่ปล่อยวามันเชื็ดคอตายไปมันยังเหลืออยู่ดีเนะี่ยยังเย็บผิดตัวอยู่ม่นต้องเหลืออยู่ดีอืม mm hmm. ไม่ใจถือโอกาสไปฆ่าตัวตายเลยเดี๋ยวฟังผิดก็ใจผิดได้ยงั้นฆ่าตัวตายดีกว่าจะได้หายตัวไปมันหายตัวไม่ได้นะ mm hmm. ไม่ทราบจะเข้าใจป่าครับไม่เข้าใจอะแต่ว่าเข้าใจไหมพี่ตามอือ mm hmm. นี่มันจะปิดคอหรือฮะวันที่สิบจะกลับแล้วเราเลด สองวันเนี่ยเราเลยพูดอย่างเปิดเปือกเลยพูดอให้มันหมดจดไม่มีอะไรให้มันงงไม่มีอะไรที่มันแบบคางแขงเออให้มันชัดเจนพูดมาหลายวันไปรู้เรื่องทไมมันยังไงไม่ทราบกุมกุมเคือกๆเยไม่เข้าใจสี